พระสัาพปุถันติเอาเสสาพันา์อ า, า, า, าอห้ักกันปาปุทันตโตฮิโคจกสมณีราชาหาธาจายาธาโสธาปฏิบุญชานโตอืมจาโตอืมพระสงฆ์ทำพิธีอัปโล ก, กนณกกรรมเวลาถวายเป็นสังฆทานถ้าพระสงฆ์ไม่ทำอัปโล ก, กนณกกรรมออกตอนด่าโจมลูกหลาน เอาสิ่งเอาของไปทานการมันเป็นบาปที่เราได้ยินไหมว่ากินของสงฆ์กินของสงฆ์เพราะทุกคนมีเกตนาถวายพระสงฆ์และก็กล่าวคำถวายอีกด้วยอยากให้เข้าใจจุดนี้ <c oughs> ถวายทานคงจะไม่มีถวายภาพ ป, ป่าอีกพิธีครั้งเดียวเลย ม, ม, ลม <c oughs> ่ทั้งบริวารทั้งนี้ก็ บ, บ่ระล้วต รวมกันทั้งบริวารทั้งหลายตรงนี้เอามานี่เอามานี่อยู่วัถวายจักเทียกับวัฏสงแล้วนับปัจจัยก็ไปภาวนาตั้ววายเพป็นอะไรบางทว่าเอามานี่เอามานี่กไ็ได้ทำบุญจักหนึ่งนาทีก็นั่นทำท่ทา น, น, นมันหลายหลายพระเกิดที่เล่มันจะเป็นบาป ไ <c oughs> ปจากว่าบอกว่าทําบุญมาขึ้นอันนี้อาหารกายกองจุ่มกลุ้มอยู่นี่อยากให้อ า, อาหารใจจักหนึ่งหน้าที่นะเ <c oughs> บื้งล้มเข่าล้มออกรับตาดีดีมือทรายบังบนตักมือขวาถับมือทรายดูลมหายใจเข้าหายใจออก บุญอยู่ที่ลมใจอยู่ที่ลมสวรรค์อยู่ที่ลมยึงมาเน่นหนักของง่ายงแต่ทำไมทำยากแท้ดูลมชัดชจะหลงจะเลิม่ม อื <c oughs> ยกมือขึ้นใส่รีษะแล้วก็ฟังอีกจนิดหน่อยก่อนโดยเฉพาะตอนเช้าส่วนมากคนก็ได้สิ่งได้ของกับมิตร์รีบกลับเพราะฉะนั้นเบรกไว้ช่วงนี้ถ้าให้พรแล้วจึงเทศคนก็ได้ข้าต้มข้นมแล้วก็กลับบ้านเมิดอีมแล้วก็กบบวกไป <c oughs> อดใจได้เป็นพระก็ให้พระสงฆ์ได้อดบ้างให้แน่นน่อยบวชเปไห ม, ไ, มได้อดแนะ่จะพอกินพ่มอยากแก่พอ ป, ปากพว่วมเครียดมันเกิดจิเลศวันนยินิดก้อนขอขน้อยคาแม่อดใจได้เป็นพระอดใจตัวหมายจะว่าจเจ้าพอปากค่วมเครียดกําลังโกรธอยู่อย่าพูดถ้าพูดมามตีปากกัน <c oughs> กำลังหิวอยู่อารับประทานอาหารมันเกิดจลຈดอดใจเอตกรนั่นต้องหิวอยู่อะไย่งนี้นก็ขนใส่บาทขนใส่บาทไปมากก็สันประเด้๋ยมันหลายโพดจึงอดใจไว้พระแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลุยไปเหยาะไปย่อมอยู่จังหวัดเลยข้าวนั่นปกติเป็นตาบาตมากก็รีบฉันเนาะหลวลงปู่มาเยี่ยมก็หลวงปู่ว่าจะเฝ้าไอ้แม่ออก แกงพักวานก่อน่นทำวัดียก่อนแสดงทสียก่อ น, อนโอ้ดีใจจังเลยเพราะได้เบรกใจได้อดใจได้รู้มีความอดทนไม่เอาตามใจชอบนั่นอดใจได้เป็นพระเพราะฉะนั้นพิธีกรรมก็เรียบง่ายที่พวกเราทำผิดกันอยู่เดี๋ยวนี้ก็คือมตพวะักว่ามัจิสาคำท้าง เที่ทา้งเบิงเหิงหลมันสิคำพวงมาไล่คยว่าไงดเด็กร้อยไปถวายโยแบ่งชาตถวายถุกองตองปัทโตนั่งพวงละเท่าไรพระท่านบอกพวงละหาสิบบาทถ้าหาร้อยคั่งสิจักบาทพระท่นบอกถ้าหารอยพวงสิจักบาทผู้ใดผ้าเห็ดพระท่นบอกเขาผ้าเห็ที่ไปเสื้อยัางเขาคือคนงอพวกจักทีวัดนั่นหอก เขาเขาเอาไปเหน็นหนะังแล้วน้าถวายบ่ายพร ะ, ถ ว, พะถวายพระถวายพระพุทธเจ้าเป็นไอ้อลเมือตัวกาบใบเป็นไอ้เอาพ่วงมาไล่ตัวไใบใบเป็นบาปตัวผิดวะละมาลากันทะวิเลวเววาเห็นหนังเต่นมาลากันทะวิเลวเเววเราเห็นว่าได้ห้ามบูชาประดับประดาดอกไม้รูปไายของหอม มันหอมศิลหอมธรรมหอมดอกไม้มันหอมอยู่หอมอยู่ธรรมชาติให้เขาอยู่ธรรมชาติจะไปตัดเขามานั่นก็เมันผลเสียที่ทำอะไรคํานึงถึงความได้ให้คหํานึงถึงความเสียหนึ่งเสียปัจจัยสองเสียประเภทนี้ของพระพุทธเจ้าลูกหลานก็นทําเป็นตัวอย่างพระเจ้าสอนเอาเมือ่อเฮาเพียงเอาดอกไม้ พ่อห้องมุกกนว่ได้ยินแต่จเจาฉันไปฉันจะมีลูกอยู่ม่มีหวทิพย์่ได้ยินดอกเปนดอกงกันก็นกนมีลูกเห็นบ่หลงกูยยเคยบอกรูปเอาลูกเขาขอเ ข, อขอบาขบ่ละขอเขาบ่ยากด็ดกมือเสงหัวือือแพ่งมาเห็นแลละพ้นจี้ขาตีไปเรียนไพ่เรีนบอกตนั่นบขมหาใจเจ้าของพระขอมหาตัวตนนั้นแหละป็นพ่งของตอนไปเพิงแนวนั้นเพิงแนวนี้ เห็นหมล่ะผลเสียเป็นพิธีของลูกหลานโอ้ลูกหลานเอาพวงมาลัยไปถวายกุบาอาจารย์เป็นแท้กุบาอาจารย์บางแห่งก็ถวายทุกอง์ทุกองคุ่ณผ้าย่อมเหตผิดทางดิบวันลงพอติได้เว้าตามเหตุผลของพระเจ้าพระเจ้าสอนให้เอามือกราบไหว้กราบลงไปงามๆแล้ลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็นั่งดูลมหายใจเข้าออกนั่นไปวัดทําบุญไปถวายพระทําบุญเขาพูดไปทําบุญทาบุญมีแตะคุยกัน มาจากอายพระมาจากอายรูปเหมือนพระพุทธเจ้าพระพุทธรูปเหมือนพระเจ้าคนนิ่งด้วยน่นถึงมาเอาเป็นตัวอย่างละ่ะสุขอื่นยิ่งกลัวความสงบไม่มีเอาแนวทั้งหลที่มาจูงกันลูกหลานที่หลังอันนี้อเป็นตัวย่างคำหนึ่งถึงความได้ได้คิดไหมทําอะไรคำหนึ่งถึงความได้พิธีทั้ทงคุตตนาอยากให้ยึดเอาไว้แน่พิธีทา้งโลกหลวงพ่อพระว่าซื้อเรามาฟาดกันตีปากกันกับพระว่าด้ แต่เรื่องพระพุทธศาสนาอยากให้เข้าใจเรื่องพระพุทธศาสนามีเรื่องมีเล่าจุ่งกันไปใช่หทุกวันที่บวชหน้าก็ไปแห่แห่เราเขาบอกว่าจะตีกองแห้งหลายมันเครียดไปตีปากอาจารย์เห็นว่านาะเป็นข้าวเป็นข้าวจับเขาท่านเป็นเรื่องเป็นเล่าแล้วกันไปออกมาไปหิ้วฟังซื้อติข้าวข้าวแถวบอดีเบื้องบนมาเป็นตัวอย่างได้หล่ะทางกฎหมายก็ห้ามอีกทีด้วยห้ามไม่ให้มีอาวศกคบเงินในวัด ห้ามนุ่งน้อยห่มหน้อยเข้าวัดเห็นเปะละ่าสำนักอะไรละ่ส ะ, ะำสำนักพัทธนธรรมสำนักพุทธพากันแห่เที่ยนเขาแข่งอยู่จังหวัดอุบลคุณเมื่อ น, นีแห่แข่งหลายเอานั่งโปะไปแข่งกันนั่งหลวงประมาทไปแข่งกันนังวัดนัว้วาฟ่อนแอฟ่อนแอนนัตถีตวารปรย์วายยังขนะ่ะห้ามฟ่อนลำธารบกมดิดสีตีเป่า เอาไปมากับฟอนล่อพระเน้นในวัดก็ย <c oughs> ังปนมเมืออกำงๆว่าวิสาขามาขะจิเป็ น, ย, น, นยังหล่ะก็เฮ็ดไปในตีพระสอนนังดินางปึงล่มหายใจเขาออกได้ซื้อว่าละ่ะก็ไปกองปนเนินเพิ่นไปฝนตกว่าพัดดอกไม้ทุบเทียนพวงหลธิพล์พ่วงเลิดไปอัดทอ่อ้นามถ่วมกรุงเทพผลงพอว่าถ่วมหน่อยใช่แน่ <c oughs> านายอึดต้นแนวก็ถูกต้องเว้ย <c> อ <oughs> ันก็เลยโง่ไปเพื่อนเหละวานี้ไม่มีปัญญาขาดอย่างเดียวคือขาดตำบุญนั่นแหละไม่รู้ว่าถูกต้องกับถูกใจเป็นยังไงไม่รู้ว่าทำทานกับทำบุญเป็นยังไงเมื่อไม่รู้แล้วก็บคนต้อนหน้าก็หลงหลงหลง <c oughs> ให้เข้าใจอยากให้เข้าใจอยากให้แน่นหนากนี่เคยมาไปบอยเป็นลูกเป็นหลานนี่มา จึงได้ว่าบ้างนะล่อเขามาล่อเขามาล่อเขอมาขมา้าคุณเคยแล้วบัติตีหัวตนตัวบัดมาึีหนึ่งสองเตียบเพตัน้นดาดอกพูดตามอาการที่มันเกิดขึ้นในใจหลวงปู่ว่าจะไปจกจอปอปั้นตนเองนี่การฝึกผ ล, ผ ล, ลบลมมิตรดุดาว่ากาวไม่ใช่ว่าดีแล้วดีแล้วดีแล้วมาเกิดทำไม คำตอบอ่ะหรือไม่เชื่อพุทเจ้าว่าปฏิปฏบัติตามคำสอนของพุทเจ้าเราไม่ต้องมาเกิดอีกไม่เชื่อหรือนี่เลยเรียกว่าพูดยากพูดเม่คืนว่าไงยากที่สามัญชนคนธรรมดาที่ไม่เคยเร จ, จะดูได้นะทมของพุทเจ้ายากไหมดูลมหายใจเขาออกได้ซื้อตรงไหนถ้าได้ซื้อหลวงปู่ไม่บอกหรอก ถ้ามีลมก็ใจก็อยู่แล้วถ้าไม่มีลมใจหนีแล้วนั่นดูใจใช่ไหมแต่งใจใช่ไหมรักษาใจใช่ไหมรักษาทำไมของบูดของเน่าสังขารร่างกายไม่เที่ยงเกิดแล้วแก่เก็บตายหรือพูดเฉยเฉยไม่เห็นหรือจิตใจข้างในลึกๆก่อนในนกแก้วมันก็ท่องได้นะเกิดแล้วแก่เก็บตายเกิดแล้วแก่เก็บตายสังขารร่างกายเต็มไปด้วยของไม่สะอาดเห็นตามกินไหมล่ะ ด้น้าบุญกุศล อ, อกอจลญาตโยมลูกหลานจติพี่น้องตลอดทางอรัตนนิมนต์พระเจ้าพระสงฆ์พระแม่ครูบาอาจารย์เพื่อมาประชุมกันในออกอนจนญาตโยมลูกหลานได้ทาทานก็ดีได้ทําบุญก็ดีฟังโกวาททำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็ดีเป็นบุญกุศลบุญกุศลพวกเราได้ทําแล้วนี้บุญกุศลของคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสารกนโลกนี้ ก็จงมารวมกันจงปกป้องปกปักรักษา อ, อกตอนจะจอมลูกหลานจติพี่น้องก็จงมีแต่ความสุขความเจริญสุขกายสุขใจหายจากทุกโศกโรคภัยการงานจิงไดการเงินจิงใดปัจจันาสิ่งหนึ่งอันใดก็จงสําเร็จจงสําเร็จโดยเฉพาะในหลักธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็จงพักันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วจงมีดวงจิตดวงใจได้เห็นสินเห็นธรรมในภพชาตินี้เถอด